มัชชิมาของมุกุเจ้ายิเดชมันหนักขนาดไหนมัชชิมาก็อย่างนั้นเอาให้ถึงกันถึงกันนะนั่นเรยวมัชชิมาเราอยากมัชชิมาของยิเดชมาใช้เลยถ้าเราจะต้องการแต่มัชชิมาโมเจ้าให้เรียงถึงความหนักเบาของเราที่มันแสดงอยู่ภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความดื้อด้านขนาดไหนภายในจิตต้องใช้อุบายทรมานมันจนให้ถึงกันนะ น, นั่นแหละเป็น มัตถิมาเหมาะกับการค่ากิเลสประเภทนั้นๆ ม, มัตถิมาที่มาที่โลกหมายกันก็คือความที่เกียดอ่อนแอนัน่นเองขนาดนี้พอดีพอดีพอดีนะมัตถมากิเลสมันได้พอดีไงมัตถิมาต้องทำให้เป็นงั้นควรจะอาตายว่าว่ามันลงไปควรจะอะไรเมื่อันหมาะกัลงไปตามการตามเวลาตามสถานที่ตามเหตุการณ์ที่เควรจะทําอย่างนั้นนั่นนั่นแหละเรียกมัตถิมา หนมัติมังกิเลศอย่างที่เราท่านเห็นกันนี่หนุมัตมังกิเลศที่สร้างเนี่ยจะทำไปบ้างเล่นมากเพราะว่ามันจะเกินไปวิจารณธรรมมัติมังเนี่ยกิเลสมันเอาเรื่องวิจามาใส่ไปแล้วมันอยู่ข้างหลังนนั้แล้วมันขึ้นปีนบนหัวขนบนหัวใจคนแล้บนหัวบนหัวอะไรคาว่าธรรมะนั่นเป็นของกลางก็จริง แต่เราจะนำมาปฏิบัติต้องแยกมาต่างประเภทให้เหมาะกับตรินิสัยของตนที่จะนำไปใช้คือธรรมะคาว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุกิจคืออย่างเยี่ยมเด็ดขาดเวลาผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้เหมือนกัน คือตามการเวลาหรือตามเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะใช้ธรรมะประเภทนั้นๆให้เหมาะกับกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันแก้กันไม่ได้แล้วควรจะหนักแต่เราไปเบาเสียมันก็ไม่ได้ควรจะเบาแต่ไปหนักตรงนี้มันก็ไม่ถูกก็เหมือนกับเครื่องมือทํางานนั่นเองงานประเภทใดที่ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในข่างต้องทราบเองควรจะหนักจะเบาจะใช้เครื่องมือประเภทใดให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ นายช่างเขาก็ทราบมันเขาเองนี่เราเป็นนายช่างสาหรับเราเราควรจะสร้างในตัวนี้ในตัวเองขนาดไหนที่จิดมันดื้อดึงขนาดเวลานั้นล่ะเอาให้หนักขนาไหนที่มันอ่อนโดลน ล, ลงไปแล้วมันย้อนลงไปแล้วปฏิบทานมันก็ต้องต้องย่อนยานลงไปตามน้ำหนักแล้วมันเข้าขัานละเอียดที่คนจะช่ า, านความละเอียดก็ต้องช่ า, านความละเอียดจะผาดผลนั้นก็ไม่ได้มัาถักลู่ในตัวเองนั่นแหละ ถึงเวลาเด็ดมันก็เด็ดถึงเวลาหย่อนก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าหย่อนด้วยความอ่อนแอหย่อนตามความเหมาะสมที่ควรใช้ในการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือกิเลสมีเพือการปฏิบัติเหมาะสมเท่านั้นมชิมาแล้วได้ผลไโดยนดําหนับถึงขนาดที่จิตมันมันหมอบราดลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักเนี่ยขณะทีมะมม่มันหมอบราดเราไปจะตามตีมันยังไงมันหมอบราดลงเข้าสู่ความสงบแล้ว ก็เป็นผลนั่นอแล้วก็ชมผลสะไว้ผลนั้นจนกว่ามันจะแสดงตัวออกมาอีกในท่าไหนพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนค่อยตามไปอีกน่ะนี่ยกตัวอยา่างคือจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยยังเอาจริงออกจากจนถึงเหตุถึงผลัประจักษ์พันพาในจิตใจจนกระทั่งถึงเก้าอยู่ความราบภาพแล้วถึงนั้นมันก็ต้อง ปล่อให้เป็นเี่นั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยะเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการท ร, รมานอย่างหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเป็นภูมิก็เสวยผลในขนาดนั้นความสงบความสว่างสวายจ ะ, สะแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้ อ, ของเราก็จะไปชําระอะไรเราจะไปท ร, รมานอะไรในขณะนั้นหลวมพิจิปัญญานี้ก็ท่าคนอยูเท่า น, นั้นไม่ทํางาน เป็นเรื่องรับทราบความอยู่ควานั้นพ อ, อจิตถอยออกมาแสดงอาการดื้อดึง่า ก, ากไปุ้ยอะไรต่อไปอีกนั่นาน่ะที่นี้เป็นโอกาสที่จะตามลงไปตามความหนักเบาของกิเลสที่มันแสดงขึ้นมานี่เรียกว่าความเหมาะสมเิเลสก็มีหลายประเภทธร ร, รมะก็มีหลายขั้นผู้ที่นํามาปฏิบัติก็ให้เลือกเอาตามกาิเลสในของตนที่เห็นว่าเหมาะสมกับธรรมะนั้นๆ ที่จะนำมาที่เกลียดมาแก้เกลียดประเภทนั้นๆลํำใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึง่งครูวาอาจารย์ที่ท่านเคยหนักตามตรีนิสัยของท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั่นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงว่าแฝงมาด้วยแล้วต้องเป็นนิสัยของท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วๆไปฟัง เบิมาญาติอันเหมาะสมดีงามนั้นเป็นไ ป, นปน ต, ตามเรื่องของบุคคลการแสดงในวงใกล้ชิดเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่ น, นท่านจะแสดงอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยอย่างเผ็ดร้อนมีมีแสดงว่านิสัยของท่านท่านเคยฝึกทรมานกิเลสหรือปราบปรามกิเลสท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิธีการอย่างนี้นี่ถึงการที่จะมาสอนวิชิต องหาที่ปึกษาอบรมเฉพาะอย่างยิ่งคือกาปฏิบัติด้วยกันบนล้วนท่านจะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิองท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแก่บรรณาลูกศิษย์ที่ไปรวมทึกษาเวลาทําแยกยะไปตามคนหมู่มากเป็นประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็แยกแยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้นเป็นบางการ คีอเป็นเรื่องนิสัยของท่านอยจริงก็กแสดงในวงใกล้ชิดนั้นจะได้เห็นดวลลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิจารณาถึงปฏิบัติาการดำเนหนของท่านมาตั้งแต่ก่อนจนกระทั่งถึงน้องอาเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั่นเองอย่างเผ็ดร้อนเอาจริงองอกจากออกเป็นออกตายเข้าว่าเลยนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายกินมากเจ้านิสัยนั้นมาช้ มเมอเพราะนิสัยนี่อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นซึ่งมาแช่นิสัยมันก็ต้องมีการดัดแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นชั่วการเพื่อเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสัยหลังนิสัยเป็นหลักเสมอไปแสดงได้เป็นเม็ดเต็มหน่อยถ้าเป็นตามนิสัยแล้วได้เป็นเม็ดเต็มหน่อยคําว่านิสัยนี่หมายถึงว่าพื้นเพย์แห่งจิย า, าญาณ คือการแสดงออกอ เ, เป็นอัดจนทมก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่นํามาแสดงนั้นท่านปฏิบัติดยงนั้นท่านรู้จริงเห็นจริงด้วยวิธีการอย่างนั้นท่านออกแสดงมาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันถึงใจทั้งผู้แสดงด้วยถึงใจทั้งผู้ฟังถึงใจทั้งการที่จะถอดถอนเกลียดคือมันไม่มีอะไรสงสัยฟังแล้วมันถึงใจถึงใจทุกอย่างแล้วไม่มีสงสัยกําลังใจมันก็มีมาเอง เราที่จะนำไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นถึงคราวที่จะเด็ดก็ให้เด็ดที่จะอ่อนก็หย่อนยานลงไปตามสภาพของผ่าของขันของจิตใจเราก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามเวลาจิตใจของเราเรียกร้องหนาะความช่วยเหลืออยู่เสมอ เพราะถูกข่าสึกกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกกดขี่บังคับเรียกร้องครับรความช่วยเหลือไม่ผิดกันไปเจออันตรายยังไงมีใครจะฆ่าจะฟันจะแย่งจะจีงอะไรต้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นธรรมนานี่จิตใจที่ถูกกดขี่บังคับจับข่าสึกคือเี่เงใทั้งหลาย ก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจรึงไม่ควรนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องจากที่โจรกจิตซึ่งถูกทิเด็ยดเหยียบย่าทำลายเป็นควรหาบายช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละหรือวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้เพืพ่งพิงอิงอาศัยจิตนี้ไปตลอดกาลมมนมีการใดที่จะแยกจากจิตเพราะจิตกับเราก็คืออันเดียวกัน เป็นปรจิตญาอันหนึ่งที่เรียกว่าเราอันหนึ่งเรียกว่าจิตเท่านั้นเวลาสรุปความลงไปแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะ ต, ต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แย่จากจิตเ่อจิตเรียกร้องทหาความช่วยเหลือจากเราเราจรึงไม่ควรนอนใจให้ความช่วยเหลือแก่จิตเป็นเต็มความสามารถตลอดไป จะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลําดับลําดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นมุอกระสับไปได้โดยสิ่นเชิงทีนี้ความสุขความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับนี่เป็นหลัมใหญ่ของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านกับเป็นผู้แนะนําัำสอนโดยวายต่างๆและนํำนั้นไปช่วยตัวเองในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์นี่เป็นประเภทหนึ่ง เราจะนําอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรือฝึกฝนธรมานเราเราก็นําไปทําให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สําคัญอีกด้า น, นคืออุบายที่ลิกขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสติปัญญาของตนคนอื่นหยิบยื่นให้อย่างนี้ย่อมมีขาดเขินบกพร่องเป็นธรรมดาเวลาเขาไม่หยิบยื่นให้ผมไม่ไม่ทราบจะกินอะไร จะใช้อะไรตัวไม่มีสติปัญญานําออกมาใช้ผลิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความเจริญทั้งต้นคุวารสติปัญญาที่ครูวารจันแนะนําสอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่สั่ง้วยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนําอุบายวิธีนี้ไปผลิดขึ้นให้ได้ดอกได้ผลมากมากขึ้นโดยกำหนดถ้าเกิดขึ้นในการผลิดโดยอาศัยครูวารจันเป็นทุนทุนให้อุบายแล้ว เราก็ไม่จนเกาะเปนมูลถึงคราวจาเป็นจําใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งไข่หนักจิที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตตพรนามาพอสมควรแล้วถึงคราวจาเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งไข่จิตประวัติเข้าภ า, ายในทันทีอมันพึ่งไม่ได้จะพึ่งไข่ใครก็ตายเต็มตัวว่างความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเต็มภูมิก็มาช่วยกันไม่ได้นะขนาดนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามผิดเสียตั้งแต่หมั่นี้ที่ยังไม่สายเกินไปให้มีสติปัญญาเท่าเทียมกับกลุ่มายาของกิเลสที่มาแสดงอยู่ในขณะนั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งในขณะตายจัดโลภ์กลัวกันเรื่องความตายนี้มากไม่มอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพุ่มเทกำลังสติปัญญาลงให้ทันกับอุบายของกิเลสที่กลัวตาย อันนันเกิดความกล้าหาญและรู้ความจลิ่ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเราเมื่อมันยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเมื่อลูกเข้าถึงความจริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็กิ่นไปหมดไม่ทราบจะได้หาคลัอะไรเหมือนหลอกตัวเองน่ะความตายก็ทราบแล้วว่ามันตายไปยังไงจึงเรียกว่าตายนี่รู้ชัดเจนมันกระทั่งถึงความสลายแห่งดินน้ำลมฝอยไม่ลงไปตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความจระทบกระทั่งในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุใดเรา ใจซึ่งเป็นของไม่ตายแล้วไปโชคท่ า, านหวั่นไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างเลยว่าเน่พ้าอย่างนั้นก็ธาตุขันมันไม่โง่มันก็มาง่อยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของนี่ลแล้วต้องผิดความฉลาดให้ทันกับธาตุกับขันกับตัวเองคือจิตกฏมายาที่เกิดขึ้นจากจิตต้ให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันจะกลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่เรียนธรรมก็เรียนความจริงเพื่อมีอยู่เต็มโลกเต็มสารทั้ง่านทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงล้วนถ้าสติปัญญาได้ ผิดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มีความจริงอยู่ในโลกเช่เดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกันต่างอันต่างจริงอยู่สบายเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิมในความรู้สึกอนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงก็เป็นความจริงอันหนึ่งตายก็มีความจริงอันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดแตลกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันโยกย้ายไปมาเท่านั้นเองทันวันนี้จังนี้จัง การแปลสภาพตัวของตัวนิจจังเองมันไม่ทราบว่ามันม akers, เป็นนิจจังมันไม่ทราบเป็นทุกขังไม่ทราบเป็นอนัตตานอะก็คือจิตผู้นี้แหละไปให้ความหมายเขาว่าเขาเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาตัวหลงอันิจจังทุกขัง sí อนัตตาก็คือตัวจิตนี้ไม่ใช่ผ like ู้อื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งนั้นด้วยทั้งจิตผู้ไปเสกสรรต่างๆไปจาขันหมายต่างๆให้รู้ตัวเองอีกด้วยเมื่อต่างรู้ทั้งภายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันจะไม่กระทบกระเทือนกัน อะไรจะเป็นจะตายจะอะไรจะโยงยายเปลี่ยนแปลงไปไห น, นมันก็ ي, ทราบตามความปิญของมันอืสบายเรียนทําเรียนเพื่อความสบายเพื่อความเพื้องทุกข์เพื่อความหลอกแก้ความหลอกลวงที่เกิดอยู่ภายในจิตทั้งตนไมมีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มถุนกันแล้วเราต้มถุนเราจริมันต้มถุนมากยิ่งกว่าจริงพานนอกมันต้มถุนหลอกนี่ตลอดเวลาเรายังไม่ทราบว่ากุญมญาณนี่คือเรื่องหลอกตัวเองล้นล้วน การเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งความปลอมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงขอ ง, ของตนของตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้นี่นก็สบายคำ ว, ว่าพ้นทุกก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองสิงที่จะก่อควรเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียดับใจไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจนี่ท่านเรียกว่าพ้นพ้นตรงนี้นะ ถ้าฉันโดดขึ้นไปโลกนั้นพระทิศพรจันทร์ตั้งคานที่ไหนล่ะนั่นเป็นความสําคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงอย่างแท้จริงว่ามันเป็นยังไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นงไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหนมันผ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพ้นอืมันหลุดจากกันไปอืมันเหมือนกับมืดสว่างเนี่อ่ะมืดมาจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็หยุดเกิดในที่แห่งเดียวกัน ความงูหมดไปความสลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันอืมความหลุดพ้นกับความติดข้องกัเหมือนกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นพ้นจากทุกมันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบร ม, มสุขนี่ยมันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันเท่านั้นมันเองไม่อยู่ที่ไหนรู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สําคัญมันหมายปลายฐานการเวลาเดี๋ยวต ะ, ตะคุบเงาไม่ตะคุบเงาบอกก็รู้เงาก็รู้ ไปตะคุบอะไรทั้งตัวก็ไม่ตะคุบทั้งเงาก็ไม่ตะคุบอรู้สบายทีนี้ผมรู้รอบเหมือนอย่างตะวันเที่ยงตรงทิศล้วแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมดอมนี่เมื่อปัญญารอบจิตแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวมันอยู่สมายเนี่ยธรรมพ้นโลกโลกกห็หมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ย ีโรคแห่งสมมุติมันค้อบงมจิตอยู่แยกกันไม่ออกกันอูว่าโรคแก่ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมนล้ว น, นแข็งรสมายหาให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็อย่างดีหลักจิตเป็นใจเป็นสำคัญเป็นหลักใหญ่โตมาก สำหรับผู้ท่องเทียยวในวัฏสงสารขอจงยึดหลักจิตให้ดีปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ไปไหนท่านหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิตกวิจารในการจะเกิดจะไปพบใจไปไหนก็ไปเถอะความดีแล้วจะไม่ทําผลให้เสียจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลักแย่างความดีประจําตนนั่นแหละถาไม่มีอันนี้แล้วจะกลัวท่านแลก็กลัวตัยิ่งเป็นการทําลายตัวเด่มซ้ําเข้าไปอีกกลัวจะไปเกิดที่ไหนกลัวจะไปตกนรกกลัวจะเป็นทุกข์เป็นร้อน แต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความทักขหรือเป็นการต้านทานเป็นการป้องกันตัวเองเลยอย่างนี้กลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีงคือมันมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปเพราะความหวังของตนว่าไม่ต้องการได้รับความทุกข์แต่มันก็ต้องทุกข์โดยดีทางเหตุผลนะเราต้องรีบแก้ไขเราเช่นกัดนี้สันสวดกุศลธรรมมาฟังเสียตั้งแต่ยังไม่ตาย แปลว่าอะไรกุชาลาธรรมะตายแล้วไปสวดกันเต็มมาเต็มต ม, ม, ม, มาเฮ้ยเรานี่ยไม่อย่างยุ่งไม่นั้นแล้วก็จะวามากก็าตามสวดถ้ามันเต็มใจของเราเนี่ยกุชาลาธรรมะแปลว่าอุบายของความฉลาดเอาผลิตขึ้นมาให้มันเกิดความจะเดียวฉลาดท่านกับกิเลสที่ เ, เป็นความโง่เขาทำผลให้โง่เขาก็คือกิเ ล, าลาสกุชล า, าคือหมาขึ้นมากุศลได้แก่ความฉลาดแก้ความโง่อยู่ภายในจิตใจมาแล้วกุชลานกุชลาก็ต่างตายแล้วมันแสนสมัย มันต้องพยุกต์อะไรอ้ผู้ปไปสวดกุศลาเองก็ไม่ทราบกุศลาคืออะไรไปสวดกินเงินยินทองก็โอ้ป่ามันเกิดประโยชน์เฮ้ยเด้งั้นจริงนี่กุศลาทํามากระดูจิตของตัวเองมันฉลาดไม่ไม่เวลานี้่ะอกุศลาทํามามันมีโง่อยู่ในติดใดบ้งางภายจิตนี้เฮ้ยเอาปยากระตาทำ ม, มันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางคิดอะไรเป็นกุศลที่อลไรเป็นอกุศล บริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นอัพยากตาธรรมเหมือนกันถ้าเราจ ะ, จะแจกสมมติไปคนนั้นแต่กินเราธรรมนามเป็นไปไม่ไดาท่านแยกไว้เป็นธรรมหลายประเภทนี่หล่ะลาใหญ่อยู่ที่กุศลธรรมะกุศลธรรมะอัิยาตตาธรรมะภายในตัวของเรานี่ทั้งนั้นสร้างให้พอกุศลธรรมาให้ตัวให้ให้มันพอเนี่ยตายแล้วนิมนต์พระมามาติฆากุ้ลาหรือไม่ไม่เป็นปัญหา น, นี่โลกเขานิยมกันว่าก็ทํางกันมาอย่างนั้นแหละ เหตผลหลักฐานอันแท้ จ, จริงมันไม่ค่อยได้หลักฐานในเหตุผลอันแท้จริงก็คือกุศลธรรมมาภายในตัวเองเนี่ยนี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ผิดการสร้างกุศลธรรมมาแก้อกุศลธรรมมาภายในตัวเองแก่ของนี้สร้างของนี้ในเทศเสมอเนี่ยใครจะมามากาตามมุนทิเทศใ น, นชนงชน้องมากพรอไปสัมผัสเรื่องนี้เอาใหญ่เลย <c oughs> อื เวหลงตาบัวตายนั้นยิ่งมาไปเที่ยวคว้านอกข้างไม้ลําบากลำบนท่านนะมากุศลารำมากุปศลารธรรมหลังหลงตาบัวตายแล้วน่าเววาาาาาออตายแลมม้วตายช่งหลงตาบวัาเวเถงงวอะพยายามสร้างกุศลความฉนาดมาโดยลํา ด, ดับๆจนเต็มปฏิกําลังความฉมาดทำมันจะจมก็ให้มันจมไปอถ้าความสลาดจนตนไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสู่กุศลาแบไม่เกิดประโยชน์วางนี่เลยแตะกว้นทํานมาทำไมพระตะกวรพระทํ า, ามขันวัสร้างตรงทีมันพอ เวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วไปเที่ยว ก, กว่านพระตามมาตา ม, ม, า, ม า, า, ามักูศลาทำมายุ่งไปหมดแล้วส่วนมาทางก็มีแต่พิธีแล้วให้พวกนั่นสับ ป, ประรุงปลเลอเขาจัดนั่นจัดนีตั้งแม่ตั้งแต่ผ่าไส้ี่วอนอะไรก็เขาจัดแล้วเราก็ดอมดอมมาถวายเท่านั้นเป็นพิธีอันหนึง่งเอ้ยนั่งพักน้ำแรงตัวเองที่จะทำแสดงความพอ อ, อกพอใจด้วยตัวเอง เป็นสมบัติตัวเองเป็นเจ้าภาพเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพธิธีมันเรื่องหน่งแต่เรื่องพิธีทั้งหมดที น, นี้ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พธิธีมันเหยียบย่ําทําลายอยู่กับหัวใจของกฎเพราะเราควรจะแก้ที่ตรงนี้แก้ให้พอพอเมื่อมันพอในใจแล้วรู้เองอดีในงานศพหลวงพบัวนี่หรทําให้คนเห็นเพราะ โรคบางไทยนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีตายแล้วยุ่งกุจลามาติกากันยุ่งไปหมดเลยออดีไม่ดีดห่อวิธรรมมาตั้งกึกลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่ทราบวิธรรมหมายความว่าอะไรสวดกันวันทั้งค่าคืนยังรุ่งนี้จะเสียง อ, อึกทึกขึ้นโคลนหาความสงบสงัดที่จะเป็นไปตบความสงบเย็นใจแตก็มไม่ได้นี่ถึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรอะไรไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเองเลย แล้วพาท่านมาก็มาอา้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลท่านใครมีตถาทาอะไรเอาบางสกุลเสร็จแล้วจะถาสัพีให้พอดเนี่ยเหมาะเหมา ะ, มาะถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นจริงๆด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่าง อ, างอื่นให้โลกได้เห็ น, น, นเป็น เ, เรามีแบบนี้ฉบักของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสมสมดาวดาวหรือแม้จะป่าก็ตามเอ ห, หลักมีอยู่อย่างนั้นแหละทำอะไรต้องมีเหตุมีผลมีหลังมีเกณฑ์เดี๋ยวเตัวตัวเสนีมาเหยียบย่ําทำลายศาสนาจะเหลือแต่ชื่อความจริงจะไม่เหลือนี่แหว่งเลยมีศาสนาทุกที่เต็มหมดเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่มีีมีแต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมือง นี่คือไม่อยากไปเกี่ยวข้องเนีขานิมนต์ไปที่นันที่นี่เฉพาะอย่างที่ในกรุงเทพลูกศิษย์ลูกหานี่ยมอนไปกุชลามาติกาบางสกุลเอ้ยให้ไปเลยมันไปกี่ขวางเขาหรว่างเนี่ยทิ้งไปนั่นความจริงแล้วไม่อยาไปยุ่งนี้แต่พิธีไปยุ่งอะไรกว่าจะได้ทําอะไรหนึ่งอโหพิธีเว่าเปลกทำการรอบด้านนอกเมืองศาสนาม่ใช่ศาสนาพิธี ทำต้องทําให้จริงให้จังให้ถูกตามเหตุตามผลกนุสุตบุตุดท้ายภายหลังจะถือเป็นกติตัวอย่างอันดีงามนั่ น, น, นหลักมันมีที่ตรนั้นไม่อยู่ที่พิธีใจถ้าพิธีเอาขังแต่แท้ได้ครั้งในสิ่งที่ไม่ขังเก้าในสิ่งในสถานที่ไม่คันให้มันถลอกปอกเปิกแล้วไม่หายา ม, มาใส่มันเกิดประโยชน์อะไรคันที่งไหนก็เก้าที่ตรงนั้นเนี่ยอจริงที่ไหนพิจารณาที่ตรงนั้น น, นี่หละเรื่องส่วนกุศลธรรมมาให้สวดในตัวเองนั่นแหละ นั่งก็ให้สวดยืนเดินนั่งนอนให้สวดกุศลาให้พิจารณาความฉลาดแก้ความโง่ของตัวเองความโง่นัำพาให้คนนี้รับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทําให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่กิเลสเสกสรรนั้นมาให้เป็นความฉลาดมันมันก็เป็นความโง่ถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลด้วยแล้วจะไม่มีเรื่องความถูกความฉลาดเกิดมากน้อยอย่างไรจะปลดเปลื้องทุกข์คือความโง่นั้นเป็นเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลําดับะ นี่แหละกุศลอาณาถูกต้องวินาตรงนี้หเหตุตุปโยครัมนะปัิโยมันเกิดจากอะไรเหตุโดยู่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจัยก็หัวใจของคนเหล่านี้อย่างพระอัศทิสันแสดงแก่พระสารีบุตรแก่ธรรมาเหตุตุภนะาวาน่ะทั้งละเกิดจากเหตุเหตุตุปโยค อ, อะไรเป็นเหตุน่ะก็ใจเป็นมหาเหตุเนี่ยมันเป็นปัจจัยก็เอ่ยออกไปอย่างนี้ก่อนเมื่อเป็นขั้นแหนงไปโดยลำหนําดับ ก็ไปจากใจนี้อวิชชาพยาสร้างคาราเขเลื่อยไปจนทั่งถึงเซมุริโยโหติมันก็ล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นใจเกี่ยวเนื่องกันออกไปเมืม่อแกะที่ตรงนี้แล้วกับอวิชชาวัตถุวิราชวิราคารไปเลยจนกระทั่งถึงนิโรโทโหติเน่ดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาทั้งรากแล้วกิก่งก้านสาขาดอกใบไม่ต้องถามมันละมันดับตายไปด้วยกันหมดถ้าถอนรากแก่รากถอนไม่ขึ้นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือ ถอนกิเลสก็ต้องถอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้ยสวดกันทําไมสวดไม่พิจารณาเหตุพิจารณาผลทำเอาพระเจ้ามีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนให้คนโงส่สวดแบบมงโง่สวดแบบแม่งคําหนึ่งถามไม่เห็นผลนั่นไม่เรื่องเขาพาทําก็ทำ บ, าทาบา้าให้ทำไเหมือนทำพระเจ้าสอนคนให้โง่อย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากผู้ฉลัก ทำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแต่เวลาเราปฏิบัติเอาแบบซุ่มดาวเอาความง่ายเข้าไปว่ามันก็เข้ากันไม่ได้เลยศาสนาเหลือแต่แต่ชื่อมานับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่เป็นพิธีที่เฉยเวลาจะหลักจะนอนก็ไหว้พระโปเล็กโปเล็กโปเล็กโปเล็กอารมณ์มาตัวเกิดจะไม่จบจะตายไปก่อนแล้วเนี่ยล้มกรอกลงไปได้ไหว้ท่าแล้วก็ดีใจเพียงเท่านั้น มีนิดหน่อยเพาะ น, นดีใจเราไม่ได้ปฏิเสธนะว่าการว่าอย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอสิ่งที่มันจมอยู่เรานั่นเราไม่ได้คิดสิอะไรพะไห้ทําอดแอรทั้งขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังกว่านั้นบ้างไม่ได้หรือนั่นตรงนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นทั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีจริงมี จ, งมจังมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศาสนาเขาจะตาโกดแย่โลกด้วยความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถึงได้พูดอย่างนั้น อันละเอแางพก่งตรงนี้